เป็นความดีเป็นของดีไม่ต้องไปคิดยงคิดยากอะไรเป็นเรื่องที่สบายที่สุดไม่ต้องไปวิตกกองบนแล้วใช่เหตุใช่ผลอ น, นไดฟังซื่อโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนะการเจริญสตินะ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 มันพ้นควอมโยกยุกย่งคมยากจนมามีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายที่มือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจรู้สึกตัวอยู่กับการเดินจงกรมมันพ้นอะไรมาเยอ ะ, อะแล้วเรายังไปคิดหน้าคิดหลังถูกหรือผิดเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับความรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้ว อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นปรมัติไม่ใช่สมมุติไม่ใช่เพ้อฝันแม้แต่การพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เล่านิยายเล่านิทานเป็นการบอกซื่อื่ อ, อตร ง, ตรงคําพูดแต่ว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่เหมือนกับเราฟังเสียงเพลง ฟังนิยายนะ น, นั่นสัมผัสไม่ได้ไม่แจ่งปรุงไปตามกับเสียงกับเรื่องกับราวกับความโสดเ่งเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มันก็ไกลตัวเราเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการฟังทรรมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้ยินนะ มันก็สัมผัสได้ทันทีูลได้ทันทีหรือเราจะมีความอดทนเวลาใดที่มันควรที่อดทนเราก็อดทนได้จริงๆหรือเวลาใดที่เราไม่เมตตากรุณาเราก็มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็ไปใช้ได้จริงๆเวลาใดเรามีโอเปกขาเรา ก, ก็วางได้จริงๆเวลาใดที่เราไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์จริงใจ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 มาที่ใดเขาก็ได้หอบไปเต็มตัวเขาก็จเจริญความหลงเขาก็จเจริญความทุกเขาก็จเจริญก็เลยเราก็เลยบุกฟ่องอยู่เป็นนิดเราจึงให้มีการกระทำเส่นว่าโดยเพราะการกระทํานะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นเรียว่า ก, กรรมนะ่ยพระัชนาเกิดจากการกระทําเกิดจากการกระทํา ไม่ใช่เกิดจากเหตุจากผลอัไนี่นเรนพระรเจ้าของเราเนะ่เรียนรู้มาตั้ง 17, สิบเจ็ดสิบแปดศาสตร์ 17, สิบเจ็ดสิบแปดศาส์ความรู้เต็มไปหมดจนได้เป็นเจ้าป้าชายพ้อที่จะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิได้อันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรม ไม่ใช่ต wow, ah ั้งอยู่ที่กายที่ใจหลักฐานชีวิตของเราจริงๆมันก็มีเรื่องกายเรืใจทุกคนก็มีกายมีใจเรื่องของกายของใจของเราก็เหมือนเหมือนกันความร้อนความหนาวความโปวดความม้อยความสุขความทุกข์ความโลคของโปวดความ้งกิเลสตนะเหมือนกันหมดนะแล้วมันก็ครองเรามันกๆครองเราปวดแล้วปวดอีกร้งแล้วหลงอีกทุกข์แล้วทุกข์อีก อย่างนั้นจนต่างบางทีมันก็จเจริญจริงๆความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จเจริญกิเลสตัณหาก็จเจริญเจริญในความหลงถ้าเป็นการให้จิตใจก็ไปทางต่ำต่าลงไปเรื่อยๆต่าลงไปเรื่อยๆมันน้มไหลาจากลําประทาวน่ยอดน้าคือโูหลงป่ามหาพัน ว่าไหลลงไปที่แรกว่าสปอริสตัวเดยียวแต่พอมันไหลลงไปผ่านมาบ้านโน้นบ้านนี้่ม า, ม า, มาถึงถ้ามาไฟหวานมาถึงสุขโตมันก็เสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆจนถึงทะเลใช่ไม่ได้ลเลยเค็มไปเลยชีวิตกิตใจของเรากำลังกันถ้าเราไม่ระวังสำรวมไม่รักษามันก็ไม่มีประโยชน์แทนที่จะมีประโยชน์ มีกายแทนที่จะมีประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นมีใจควรที่จะมีประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นกลายเป็นโทษรเราเคยเบียดเบียนตัวเองเราเคยเบียดเบียนคนอื่นทำให้เป็นภาระทำให้เกิดปัญหามากมาัญหาวันนี้เราจะมากลับเข้ามาดูตัวเองมาศึกษาวิชากรรมฐานมามีการกระทาให้มีการกระทำเกิดขึ้นทากรรมจริงๆ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 เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นเป็นลูกดูไปดูมาที่โลกเคลื่อนไหวไปมามันดูอันเดียวผ่านตาตาในนะไม่ใช่ตาเนื้อนะมันเห็นถ้ามันเห็นอยู่หลายวันหลายวันมันก็รู้แก่การเคลื่อนไหวตัวนั้นมันเป็นโลกเป็นเป็นโูกที่มันทำดีมันรูดสึบตัวมันทำความดี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 จิตเป็นใหญ่จิตเป็นทัวหน้าสําเร็จอยู่ที่จิตว่าโมโนกรรมเราจะทำลงไปสิ่งใดมันต้องออกมาจากใจก่อนทีนี้ถ้าเราหัดใจนะหัดจิตใจนะมันไม่มีตัวไม่ตนเราจะไปจับมันมาฝึกไมได้เราจะมีโอบาลให้มันรู้อยู่ให้มันรู้อยู่ที่การจะเพิงไปยุ่งกับจิตใจทำใหม่ๆนะแม้นว่ามันจะคิดแล้วคิดอีกแคลของมันแล้วก็กลับมา ตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้เราทําเรื่องนี้ะแม้มันจะคิดไปเท่าไรจีคลั่งจีโหน่ร้อยคลั่งพันโหนเราก็กลับมารู้ร้อยคลั่งพันหน้เดี๋ยวไปเอาคิดเอาโทรกับเขาเราจะมาทําเรื่องนี้อเขาจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาไปเราจะมาทําเรื่องนี้ให้รู้จุกตัวให้รู้จุกตัวอจนชำเนศชานามจนคินคินที่จะกลับมารู้แล้วก่อนนั้นมันคินที่จะไปสู่ความหลงง่ายที่จะหลง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 ไปทางโน้นไปครับมานนี่เราต้องหัดต้องหัดนะไม่หัดมันไม่เป็นถ้าไม่หัดมันไม่เป็นเช่นหัดให้มีสติอยู่กับกายอะไรหัดให้มีสติอยู่กับความคิดว่าเห็นสองหลักเห็นเป็นลูกกายกับใจเนี่ยเมื่อดูเข้าไปจริงเห็นเป็นลู ก, ก, เ, ก, เ, ห เ, ลกเห็นเป็นนามการเคลื่อนไหวเนี่เป็นลูก นั่งไได้เป็นโลกโูกจริงๆริงการคิดไปทางโน้นมันเป็นนามโลกอะไรได้ลู่เจ็บลู่ปวดลู่ร้อนลู่หนาวลู่หิวมันเป็นนามเป็นนามที่มันรับลู่ะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุนั่นเป็นนาม แต่เราไม่เคยสอนมานมันรู้อะไรก็ปล่อยมันรู้ซื่อมันรู้แบบตรงๆแต่มันรู้เฉยๆรู้ด้วยความบริสุทธิ์เวทนาก็เวทนาบริสุทธิ์ไม่ใช่เวทนาเป็นอุปาทานความสุขก็เป็นอุปาทานความทุกข์ก็เป็นอุปาทานไม่ใช่สุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันมันมีอยู่ความสุขความทุกข์ของรูกมันก็มีความสุขของทุกข์ของความสุขความทุกข์ของนาม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 จะให้มันต่อไปจนตรงเป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภความโกรธความหลงปมันไตไกลเกินไปมันไม่จำเป็นเร า, าก็รู้เฉพาะเฉพาะเรื่องของมันเวลามันคิดเราก็รู้ทันความคิดแล้วเราก็กลับมาสัามม า, า ก, กับความรู้จึกตัวในการสอนตัวเราการสอนตัวเราให้เป็นน่ะมันเป็นเรื่องที่ น่าจะรียบรวนกว่าเรื่องอื่การสอนให้ลู้น่ะเขาก็มีการสอนทั่ ว, วไปมีตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมการสอนให้ลูกเราก็รู้กันมากมากแล้วแต่ว่าการสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเราคนอื่นสอนให้เราไม่ได้เช่นมันหลงเนี่ยใครสอนให้เราไม่หลงเราต้องกลับมาเอง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 มันทุกออกมาปฏิบัติให้มันไม่ทุกสอนให้เป็นทุกครั้งที่มันผกิดสอนมันก็ทําถูกทุกครั้งที่มันหลงก็ทําให้ไม่หลงนะ ว, ว่าทําเป็นวิธีอย่างนี้นะเป็นวิธีที่อยู่ในกํามือเดียวอยู่ในกํามือของเราไม่ใช่เป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองประกอบเป็นหนึ่งที่สองที่สามันอยู่กับตัวเรามันมีความพร้อมอยูในตัวเร็จมีความพร้อมอยในตัวเรา ขอให้เราขยันตรงนี้ขอให้เราขยันตรงนี้ทักหน่อยจะไปขยันทางองื่นเห็นตาเห็นโูกนะตาเห็นโลกมันก็ขยันไปปรุงไปยินดียิน้นล่ไปถึงโน่นแบบบไม่ไม่ใส่ใจตรงนั้นถ้าเรามีสติกัสกบวารเห็นสาเร็จประโยชน์แล้วการเห็นบวาเห็นแล้วก็หลุดพ้นตรงเห็นแหละถ้าเป็นก็ไม่พ้นแล้ว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 จนเป็นเจ้าของของกายจนเป็นเจ้าของของจิตใจความรู้สุดตัวนะั้นแล้วนี่ก็กายของเรามันเถื่อนอยู่ใจของเรามันเถื่อนอยู่สัมสอนสัมสอนก็เป็นใจที่สัมสอนแล้วก็เรียกว่าโสเพณีโสเพณีของใจกายสัมสอนก็เป็นโสเพณีของกายเราใจให้เรไปไหนก็ไปกับเขา เขาจะโกรธเขาจะโกรธกับเขาเขาจะทุกข์เขไปทุกข์กับเขาเขาจะหลงก็ไปหลงกับเขาเขาจะทำเช่อกัไปเชื่อกับเขาทำอไรไปโน่นวดยสัมพันธ์ไม่เขาจะหอบจะหิวไปไหนนั่งอยู่นี่เขาหิวไปโน่นกรุงเทพหาคนลักหาคนช้างไปโน่นนะเขาหิวไปแทนที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวคอยปกติ อย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่าบ้านของใจเนี่ยคือความปกติบ้านของกายก็มีการทกชีวิตยอยู่แล้วแต่บ้านของใจเนี่ยอาจจะจนอยู่เยองจะกลางคืนเป็นความกลางวันเป็นเฟลกลางคืนว่าขวนกลางวันว่าคิดหมุ่นคุนคิดอยู่ไม่มีบ้านอยู่จ น, จนจนอยู่ไรอยู่เลย นบ้านของใจคือปกติก่อนที่จะเข้าถึงความปกติเราต้องฝึกจะต้องดูต้องดูต้องหัดดูถ้ามันรู้มันเห็นกายอยู่นานๆาาให้มันอยู่ด้วยกันนานๆสักหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนหนึ่งปีถึงเ็ดปีลองดูแล้วก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ไม่ต้องไปหาวัตถุที่หนึ่งสอง เป็นแหล่งการศึกษาเป็นตกกะชิลาเป็นมนุษย์สมบัติอยากโลภอะไดก็โลดา อ, อยากมีสติเมื่อไหร่จะมีได้เวลาใดมันหลงก็มีสติได้ทันทีเรามาฝึกตรงนี้กันเมื่อเราฝึกไปฝึกไปมันก็มีโอกาสชันนี้จำนานมันไม่ใช่ว่าสติธรรมดาถ้าเราฝึกไปมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันเป็นมากเป็นผลไปนนูน่น มันก็ไปได้ด้วยเจนเรารู้สึกตัวเราลู่สึกตัวเนี่ยมันไปมันไปไหนมันไปจากความหลงเราลู้เที่ึงก็ใกลจากความหลงเที่ยงเราลู้สองข้างมันก็ไกลจากความหลงสองสองข้งถ้าเป็นมหาลูม่มก็ใกลจากความหลงไปไปจนอยู่คนละโลกหาไม่พบเลยความหลงคิดยังไงมันก็หาไม่พบคนเราพบแต่ชาติกำลัง ความหลงกับชีวิตเราคนเราภพประชาติแต่ก um yeah. so, uh, ่อนความหลงกับชีวิตเราอยู่ด้วยกันย่ำยีเราเป็นภาระความโกรธเนี่ยคนเราภพประชาติความทุกข์เนี่ยมันเป็นคนเราภพภูตชาติกับเราแล้วการปฏิบัติการสร้างความรู้สตัวไม่ใช่ห่อไม่ใช่นี้หรือไม่ใช่นี้หรือมันไม่ใช่ให้เลยดอกเป็นศีล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 สถาปนิกการกอร่อสร้างอย่างอย่างจานทมศิลป์นเนี่ยออกแบบปฏิแบบนั้นแบบนี้ดูไใบปะทะลุทะลวงทําแบบนี้ห้องนอนแบบนี้ห้องน้าแบบนี้ทําแบบนี้บางทีกับตดวัดสดุประกณบได้พอดีปูนกี่ลูกเหล็กกี่เส้นอกี่ก้อนไม้กี่เม็ดกี่ศอกไม่ให้เสศษไม่ให้เลย แล้วกำหนดลงไปทำกี่วันแล้วกำหนดลงไปราคาเท่าไหรเป็นธรรมถ้าชำนาญเรืไหงอะไรก็ก็เก่งในทางนั้นอย่างพวกเราที่มีความ ช, มชำนาญหลายคนที่มีความ ช, มชำนาญปีที่แล้วมาในพรรษาที่แล้วมีพระรูปหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเขาก็เก่ง ่อมเครื่องบินเขาดูก็เขาเอ็กเซลเล่เครื่องบินแตละเครื่องบินของเขาลงมันลงแรงเกินไปเขาเอ็กเซลเล่เขาก็ลูกแต่พวกเราเอ็กเซลเล่เครื่องบินไม่ใช่เอ็กเซลเล่หัวใจก็ไหนได้แต่ช่างบางคนเขาเอ็กเซลเล่เครื่องบินแต่มันเสียก็ก็าซ่อมกน่ันการศึกษาเรื่องใดมันก็มีความเมลี่ยขนาดเดิม จนเป็นปริญญามันกันยาตะปริญญากําหนดรูปโดยการรู้ชีวิตเราแนละ้วเป็นปัญญาอันต้นตีล้วก็น่าเป็นยาปรญาปิญญาในการแจกแจงอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้เป็นปรมัตดอันนี้เป็นวัตถุอาการต่างๆกํนะาหนดรูปโดยการรู้ มันก็เร็นบรติลักข้าวเป็นยาแกกแกงแกกแกงย่อยออกไม่เป็นขี้นเป็นอันมองเห็นลูกประทามองเห็นนามมาทำเกกออกตัวตนเลยไม่มีตัวตนที่จะไปโกรธตัวตนที่จะไปทุกตัวตนที่จะไปวิตกกงรมเลยไม่มแก่ของหมเลยเหลือศูญชีวิตเหลือศูนญไม่มีอะไรที่จะไปให้ทุก มันไม่มีตัวไม่นตนที่จะไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปหลงเหลืหอศูนย์เหลือศูนย์แกกออกปหาณปริญญาทําให้พ้นไปหมดไปทาให้ปัญหาหมดไปทาให้ไถ่ทั้งปวงหมดไปเรียกว่าปหาณานปิญญาหมดไปพ้นไปชีวิตอยู่เพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้ น, พนไม่มี ไม่มีการบ้านไม่มีโจดไม่เป็นจำเลยไม่เป็นภาระต่อหลาคนเรื่องของกายก็ไม่ต้องไปเป็นสุขเป็นทุกข์เพกายเรื่องของใจก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เอราใจแต่นี่เราเอากายไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปรองรับทุกอย่าง ความรักความชังก็อยู่กับใจความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็อยู่กับใจความสุขความทุกข์ก็อยู่กับใจความยินดียินไล่ก็ไปอยู่กับใจนะมันก็สูญเสียแห่งความเป็นใจเลยพึ่งใจไม่ได้ตายคนที่พึ่งกิบพึ่งใจไม่ได้นะทั้งทั้งที่มันอยู่กับเราต่อพ่อก็ถามคนหลายคนเรามีลกูกเรามีกายเรามีใจเรามีนาม เช่เรามีใจเราเพึ่งใจได้ไหมบางคนก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะพอเราม่รู้แล้วโอ้เราจะใช้ลูกทำแต่ความดีเราจะใช้น้ำทำแต่ความดีพอเรารู้จักมันเลือกได้แนละแต่ก่อนนี่ไม่มั่นใจนะบางทีอาจจะทำความทั่วสับสนทุกช น, นสุกสนจริงจงใจ อดโล่ชอดเท็ดอะไรอ ด, ดีตอนาคตเฮ้หน้าวเวรร้างคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดเคลืนข้างล่างปัจจุบันนียเลยไม่เหนื่อไม่ได้ตกแต่งปัจจุบันก่อนที่จะเป็นอ ด, ดีตก่อนที่จะเปอนาคตมันต้องมีปัจจุบันมันต้องมีปัจจุบันนะพราะเราจะไม่ไค่อยได้ศึกษาพอเราศึกษาแล้วโอ้เราจะเอารูปนี่ทําแต่ความดีเราจะเอานามทาแต่ความดี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 ตัวรู้กับตัวหลงมันต่างกันต่างกันเหมือนฝ้ากับดินสัมผัสดูแล้วถามใครไหมไม่ต้องถามใครมันไม่เอาหรกแต่เท่าคนที่ไม่เคยมีความรู้นะี่ยมันหลงก็เฉยอยู่ได้เฉยอยู่ได้เพราะเขาอยู่ในโลกันเดียวเขาอยู่ในโลกันเดียวเหมอือนคนคนโกรานะเขาอยู่ในโลกแห่งความโก เขามองความไม่โกรธไม่เห็นเขาก็พอยใจอยู่ในความโกรธความทุกข์ก็เหมือนกันเขาอยู่ในโลกแห่งความทุกข์เขาไม่ได้มองเห็นโลกแห่งความไม่ทุกข์เขาก็พอยใจที่จะ ท, ทุกข์อยู่ไม่ใครไปห้ามเขาก็ไม่เอาหไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้นะโกรธ ไ, ได้เมื่อไงคนเรีนอยู่นั่นแหละเขาก็เทวว่ากัเขาสแสดงอะไรที่มันควรที่จะสแสดงออกให้มันเห็นอ่า ถ้าไม่เห็นว่าเราโกถ้าเห็นว่าเราทุกข์เขาอยู่ในโลกกันเยอพอลองมาดูเขาจริงๆโอ้มันมีโลกมันมีคู่อยู่นะเหมือนไปเศรษธฐานมองมองโลกแบบมีคู่เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายมองตรงกันข้ามเลยคือไม่อยอมนะเป็นคนเกิดโอ้มันก็ต้องมีไม่เกิด เห็นคนเจ็บมันก็ต้องมีไม่เจ็บเห็นคนแก่มันก็ต้องมีไม่แก่เห็นคนตายก็ต้องมีไม่ตายได้หลับตรงไหนเห็นสมณะก็มองก็เมื่อมองอย่างนั้นก็มีการกระทําเกิดขึ้นต่างตงคือไม่ยอมรับผิดชอบแล้วนี่ลองดูบุรุษผู้ที่สร้างสติเนี่ยมีสติไปหลายฝันจะเห็นความหลงเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันหาก นะเขาจะไม่ไปทำไจะไม่ไปคือความหลงเขาจะสร้างความรู้ทันทีพอมันหลงที่ใดมันมีโอกาสในความรู้ทันทีเป็นคู่ของเขาหัดไปหัดมาหัดไปหัดมาเขาก็เขาก็เป็นอัตโนมัติของเขาเขาก็ช่วยขเขาเองเมื่อเกือบเครื่องยนต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปตามธรรมาชาติของเขาไปเป็นอัตโมัติไม่ต้องไปเข็นกัน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 เสียงอื่นวัตถุอื่นเาก็ไปอย่างนั้นเขาไปท่านองนั้นเขาเลยเป็นเรื่องกลงกลืนไปห ล, หลายอย่างไม่มีใครดอกที่จะอยู่เฉยๆเหมือนพ่อแม่ได้อาหารมาก็คิดถึงแต่ลกูหหลกห่วงใยลูกไม่คิดลังเกียดอะไรที่เกิดอยู่กับลกูกความสุขของลกูกความทุกข์ของลกูกเป็นเรื่องของตัวเรา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 อทำความร้ายเป็นความดีพอที่จะทําความผิดให้เป็นความถูกพอที่จะทําความทุกข์มันเป็นความไม่ทุกข์มันก็ยินดีนะแต่ถ้าคนที่มันเคยศึกษามืดแตดด้านมืดแต่ด้านพลวที่จะมาช่วยตัวเองไ ด, เดเ้เก็บปวดเต็มทีแล้วเก็บปวดเต็มทีแล้วเราจึงเป็นเรื่องรีบด่วนเรืหนอนหาเอาไว้ฝึกเอาไว้ มันหลงอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นความรู้มันทุกอยู่ที่ไหนเปลี่ยนไปก็ไม่ทุกให้ทำตรงนี้สักหน่อยใส่ใจตรงนี้อย่าให้มันพลาดถ้าพลาดตรงนี้ก็พลาดไปหลายๆอยา่างเช่นเวลาใดมันหลงให้มันรู้ทันทอีอย่าให้มันพลาดตรงนี้ถ้ามันพลาดตรงนี้ก็ไปไกลมากเหมืนะมกับการงานต่างๆไม่จิดด้านเดียวไม่เมืองทั้งเมืองก็ได้ ความหลงอย่างเดียวไปเป็นกิเลสตะนะเป็นละะเป็นความโลดความโกรธความหลงเป็นอิจฉาปยาบาดเกิดศึกสงครามทิ้งลูกทิ้งเมื้ทอทะเลาะวิวาทกันไปสบายๆความโกรธถึงแม้ไม่มีตัวไม่ตนแล้วความหลงก็ไม่มีตัวไม่ตนแต่มันยิ่งใหญ่ถ้าเราจะมาดูแล้วนะสองข้อควาง่ายที่สุดการการฝึกกิจเนี่ยง่ายกว่าการฝึกอันเดิม เพรมันอยู่กับเราไม่ต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามกามตรตุกขิตเนี่ยนะเป็นของที่ง่ายเป็นของที่สะดวกมว่าแต่บางคนเขาพูดว่าฝึกยากทำใจยากที่จริงเขาไม่ได้ทำจริงเขาไม่ได้ทำจริงๆหรอกถ้าเขาได้ทำลงไปสักน้อยนะมันก็จะกระตือรือร้นมากกนะารมาปึกจิตการรักษาจิตการดูแลจิต ที่หลวงพ่อบอกว่าบ้านของผิดคือความปกติถ้าเขาได้อยู่กับความปกติเขาจะไม่หนีไปไห น, นทีนี้เขาไม่เคยพักบ้านหลังนี่เขาไม่เคยปกติบางทีก็กระโจนไปเลยๆถ้าเขาได้พักดูสักหน่อยปกติอยู่สักห น, นึ่งวันสองวันเขาไม่ไปไห น, น, นเขาจะเข้าถู่ความปกติ เหมือนร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าฝนตกหัวเข้าล่มแดดออกว่าเข้าร่มมันรู้จักช่วยตัวมันเหนวมันก็รู้จักสายชินแต่จิตใจนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันไม่รู้นะเนะพราะมันไม่มีคู่เราไม่เคยฝึกถ้าเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวมีปกติแล้วเมื่อก่อนเข้ามาเข้ามาสู่ความปกติ การทำให้ปกติเป็นเรื่องง่ายที่สุดการทำให้ปรองเป็นเรื่องยากทำดีได้ง่ายทำชั่วดียากคนที่ฝึกนะแต่คนที่ไม่ฝึกเนี่ยทำดีได้ยากทำชั่วดีง่ายเขาก็ไหลไปทางนั่นแล้วดังนั้นพวกเราเนี่ยให้มีศิลปะวิทยาการของชีวิตของเราบ้างยกตนช่วยตนเ ต, ตือนตน แก้ไขตนเองแล้วจึงก็ไปช่วยคนเื่ไปไปเตือนคนอื่นเห็นตาเห็นลูกเราต้องดูคนเขาด่าเราก็ต้องมาดูเราเขาดินทาเราเขาเสนอเสิ็จเราก็ต้องกลับมาดูเราเข้ามาหาตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งไปดวนรับอย่าเพิ่งไปดวนปฏิเสธดูคนมีสติจะนุ่มนวลสุ ข, ขุมรลอกอ ทำอะไรไม่วู่วางผลผลผลเล่นอมาเก็นิ่งนะคนมีสติทําให้นิ่งมันมีศิลปะทําทให้นิ่งได้เวลามันเคลื่อนไหวอยแล้วมันปรุงปรุงแต่งๆทาให้นิ่งจนเป็นปกติได้บ้านของกิจคือความปกติสร้างให้ได้ให้มีที่อยู่แตวนี่กิจใจเราไม่มีที่อยู่อาภัพอา บ, บ, อาบจน ควาคืนเป็นพรกลางวันเป็นเปลวร้อยสันตติเกิดขึ้นท่านทะเลไหลไปไม่ได้หยุดได้หย่อนก่อนนอนก่อนหลับเราฝึกอยู่ที่ไในเราฝึกนั่งอยู่บนรถไปที่ทำงานเราลู่จักตัวเราลู่จับตัวให้เป็นคู่ชีวิตของเราอย่าให้มันโดดเดี่ยวไปไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่ป้องอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็พบกัน เป็นขลั่งเป็นข่นขาวก็สิ่งที่พูดสิ่งที่เราทํำไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วขณะนีน้เท่านั้นมันเป็นไปตลอดเวลาคําพูดการกระทําของเรามันก็ต่อเนื่องไปคำพูดมันไม่จบมันไม่ไม่เหมือนเราดูหนังฟองละครมันก็เป็นของเราเองนี่เป็นสัจธรรมเป็นป ร, รมาจารย์ความรู้สึกตัวเป็นป ร, รมตัตา์ความหลงเป็นสมมุติ ความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปรมัติฏความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมัติฏฐินี่ยมันก็จริงอยู่ในของที่ไม่จริงมันก็มีของจริงในความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็จริงแบบมันเป็นทุกข์แล้วมันก็จริงแบบปรมาทิฏฐิเราก็เป็นอย่างนั้นของเขาเราก็รู้ไงรู้ล้วก็ลภเราก็ไม่มีลอยไม่มีลอยในใจเรา ความไม่เที่ยงอาจจะเป็นประโยชน์ความเป็นทุกข์เป็นประโยชน์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นประโยชน์ชีจจวิตขอเราคนหลุดพ้นตลอดเวลาวันนี้ก็สมควรเจรเวลาพวกเราก็จะมีจิดกรรมมาในอีกเัี่ยโมงขา้างหน้าต่อคอยุติการพบปะพูดจาปลาใสกับพวกเราตามสมควรเจรเวลาโดยความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งใจมาคณะ ผลศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมฐานสาราศุดาที่ได้ตั้งใจมาทำความดีแล้วเขอจงได้เป็นบบตบะเตชะคำจนนนทสงให้ทุกท่านได้ประสบกับคุณธรรมเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกๆคน แล้วได้ไปช่วยคนอื่นให้รู้ตามมีความสุขทุกขทวนหน้าตลอดกาล น, น, นานเธอ